ทนความบอดอยากไม่ได้เพิดเพลินในกรารมคนล้วเยียวยาอยากขึ้นแปไม่เจริญนะถ้าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายผู้ดใด ห, หวังความเจริญเจรนไตนใจริงเหล่านี้มาย่ายีได้ผู้เจ้าสอนอย่างนะ้ฟังนะ <c oughs> จะพูดให้ฟัง เพื่อเป็นส่วนระกอบกับการปฏิบัติธรรมให้สัมผัสต่อเจ้าหัวไปนาเอาตาไปไล่ใจิตใส่ใจตามทำอะไรให้สัมผัสการศึกษาที่สมบูรณ์แบบต้องสัมผัสไม่ใช่การเรียนรู้ รู้มันก็รู้ได้ง่ายๆอ่านเราก็ได้ความรู้พระพุทธเจ้าสอนสูงสุดคือนิพพานนิพพานคือเย็นเราก็รู้ว่านิพพานคือเย็นรู้แล้วนรกคือทุกข์เรรู้แล้วนรกคือทุกข์สวรรค์คือไม่ทุกข์เอ้าสวรรค์คือไม่ทุกข์ รู้แล้วแต่ว่าไม่เคยสัมผัสสุขมันเป็นยังไงทุกมันเป็นยังไงเนื้อสุขเนือทุกมันเป็นอย่างไ ร, งไร <c oughs> แต่นั่นไม่ใช่เรียนรู้สัมผัสอาษาศาสนาคิดก็เรียกว่าอยาปักยาปักสัมผัสเอาให้สัมผัสเอา แต่ถ้าจะมีแต่การสัมผัสไม่ได้รู้ก็ผิดพาดได้ต้องมีส่วนประกอบเรามาสุกประกอบมีสุขจริงๆเห็นมันสุกก็ต่างเก่าไปอกีกไม่เป็นผู้สุกต่างไปอกีกดีดีกว่าดีที่สุดมันมีสามดี มันสุขก็ดีเหมือนกันเห็นมันสุขดีขึ้นไปไม่เป็นผู้สุขดีขึ้นไปดีที่สุดนี่มันมีระดับจางมีแต่ความรู้ไม่ได้สัมผัสก็ใช่ไม่ได้แต่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยาปักยาปักมีแต่สัมผัส เป็นทำการขอดต้วนนี้ยังมีจะไหมเก่าๆทำขอดกันเองพะดวงคันอาามม่ไม่เจริญตัวหญิงที่ตายอันดับหนึ่งของของโลกคือประเทศฟิลิปปินส์ตายเพราะการขอดบุตรคนที่ทำขอดก็คือเป็นผู้ชาย ได้เป็นหมอตำแยทำคอดล้วผู้ชายคนหนึ่งถ้าใครไปทำคอดที่ใดลูกของคนที่เราไปเขาไปทำขอดถือว่าเป็นลูกของเราแล้วเขาก็ถือว่าเป็นพ่อของเราทำไมหลงตาจึงูกเพราะหลงตาเคยไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ไปบินเทปอด เราเป็นพุทธศาสนาก็ เ, าเป็นสนาคิตเราอยากแสดงว่าพุทธศาสนาธรอะไรพระสงฆ์ทำอะรตอนเช้าตนดึกตนเย็นตนอะไรทำอลารขอให้เราไปสมัมผัสกับกับชุมชนยากจนสลั ประโยชน์ในสัลลงด้วยวายาปักจักเห็นความจนมันเป็นยังไงความทุก ข, ขก์ของจนมันเป็นยังไงความยุ่ยากของจนมันเป็นยังไงเอาไปสัมผัสแล้วว่ายาปักเรามาสัมผัสกับปฏิบัติธรรมคืออะไรก็มาสัมผัสแต่เรามาเรียกยาบักเราเรียกปฏิบัติธรรม ตอนเช้าไปขอบินท่าบาทเพื่อเจนหัวหน้าเขาเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่เคยเสยบาทแต่เขาก็บอกว่าวิธีใดที่ไปบินทบาทได้ก็มีอยู่คือหนึ่งเขาบอกว่าเขามีลูกหลายคนเตมบ้านเนี่ยจงยนเนี่ย ทำไมมีโรคหลายคนเขาบอกว่าเขาเป็นหมอทำคลอดเขาทำคลอดคนได้เขาก็ไปเอาเป็นพ่อของนั้นเขาก็ถือว่าพ่อเรียกพ่อเขาไปบอกลูกของเขาประมาณยี่สิบสสิบคนเขาก็พาเราไปบินทบาทคนที่ไม่ชช่ลูกเขาเขาไม่ไม่พาไปให้เขาใส่อะไรนิดหน่อย ผลไม้อะไรต่างๆพอที่จะคนจนหาได้ไม่ยุ่งยากขนมนิดหน่อยเท่าหมอยไม่มือก็ได้ใส่ลงไปเหลือจิ้นเหลือเศษอะไรก็ใส่ลงไปก็ได้อันนี้เขามีลูกเขาทำากอดเดี๋ยวนี้ก็ยังทำข้อกันอยู่ คนก็เลยตายกันมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในประเทศฟิลิปปินส์ในเจริญเหมือนเมืองไทยเราประเทศเวียดนามตายอันดับหนึ่งคือสงครามนอกจากนั้นตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งทั่วทุกประเทศดนไทยก็ติดอันดับหนึ่งด้วยมะเร็งอันนี้ก็ <c oughs> พูดเล่นๆลย <laughs> อ๋อสมัมผัสอ่าสมัมผัสนี่สำคัญสมัมผัสกับความรู้ย่าปฏิเสธสัมผัสกับความหลงขณะที่มันรู้ย่าปฏิเสธมันมีสงกรณีมีคู่อยู่เวลาใดที่มันหลงรู้เวลาใดมันไม่หลงก็รู้ไปสัมผัสเราให้โตเนื่อง จจำนี้จำนานในงานในเรื่องนาน น, า, น, เนเ า, เาเป็นพระเอกได้การเป็นพระเอกต้องแสดงแสดงในจิตกรรมต่างๆชู้ทุกสู้ยากชู้ทุกสู้ยากสู้ทุกกรณี อันความทุกข์ก็ไม่ผ่านความทุกข์ความยากและไม่เคยมีความสุขไม่ใช่จะเรียกพระเก อ, อกไม่ได้จะเรียกพระเอกไม่ได้เสียงมันก็ไม่มีเราแค่นี้แหละจะเพิ่มขนาดไหนมันก็เพี้ยนไป มันก็ได้เท่านี้ยี่ยหูฟังเราหลงตาเป็นพระเอกในที่นี่ที่นี่ที่ทุกขิยะของเราสลาที่เรานั่งอยู่นี่หลงตาได้สัมผัสทุกอันทุกสิ้นจากมือเราสลาหน้าหลงตาได้สัมผัสทุกสิ้นทุกอันด้วยมือเรา ในบริเวณต่านี้ให้ร้อยไร่เราได้สัมผัสกับทุกพื้นที่ต้นไม้ที่เราปลกไม่ต่ํากว่าสามสี่แสนต้นเราได้สัมผัสความทุกข์ความยากเงยไหลไข ย, ย, ย่อยอันความทุกข์กลเป็นความโศกของตาก็มีความโศกเป็นพระเอกคนหนึง่งนอนอยู่เกือบเป้นอยู่เกืบต้นไม้ ก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องไปดูอะไรดูเห็นอะไรเห็นธรรมอยู่เนงเนือ ง, งเห็นธรรมอยู่เนืองเนืองผู้ใดมีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรเห็นธรรมอยู่เนืองๆเห็นธรรมอยู่เนืองเนืองอย่างที่เราสวดทำเครื่องรางอันหลงก็รู้ มันไม่หลงก็รู้มันสุข ก, ก็รู้มันทุกข์ก็รู้ชำนาญมากในความสุขในความทุกข์ไม่หลงไม่หลงแมแต่การเกิดเจ็บเจบตายไม่หลงอะไรที่มีอยู่ในกายในใจนี้แปดหมืสี่พันอย่างพอมีความชํานาญไม่จนกับทุกเรื่องที่เกิดกับกายกับใจทอเที่ย นั่งอยู่อย่างนี้ได้เท่าที่อย่างนี้พูดมีแสดงให้เห็นได้เพราะมันเห็นประสบการณ์กับชีวิตของเราจะไม่ผิดพลาดจะไม่หลงอยู่ในความทุกข์จะไม่ห้หลงอยู่ในความสุขเมือสุขเงทุกข์จะไม่หลงอยู่ในการเกิดเจเจ็บตาย ที่มันเป็นเรื่องทุกจะต้องไม่ทุกที่มันทำํำไมโกรธจะต้องไม่โกรธส่วนไหนที่มันทําไม่หลงจะต้องไม่หลงเออมันมีมันมีทางอยู่ทางที่ผิดก็มีอยู่ทางที่ถูกก็มีอยู่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้แล้วทางผิด กรมมาชวนิกายนิยโกร่อนเอกันไปสุขก็สุขไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยหลงก็หลงไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยรักก็รักไปเลยเกลียดก็เกลียดไปเลยทำตามสิ่งที่มันหลงมันเกลียดมันสุขมันทุกข์ไปเลยนั่นเรียกว่าการมมาสุขขันนิกายนิยโกร์แล้วก็ถูกสิ่งเหล่านั้นหลอกเราเสียผู้เสียคนของคหลงผู้วมโกรธผู้วมสุขติดสุข ส ม, มุนไพรหยดหลงกวความทุกนี่มันไม่ใช่ว่ากามมาชุกานิการโยกแต่ผู้ใดเข่งคึมนเกินไปหน้าดำคาครื่อเชิดอะไรก็เลี่ยงยากอะไรก็เลี่ยงง่ายเอายากออกง่ายโอาขยันเอาขี้เกียจใช้ชีวิต ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงผิดก็ทุกถูกก็สุขเป็นอัฏฐีมุตฐานโยกไปทั้งสองทางสุดตรงทั้งสองทางจนมัจิมาปฏิปทามันมีความเป็นกลางมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันเป็นกลาง ไม่ด่วนยินดีไม่ด่วนนิยายนเป็นกลางไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นมันมีบวกในลบชีวิตของเรามันมีผิดมีถูกอยู่ตรงกลางน่ะเห็นยังไม่ด่วนรับยังไม่ด่วนปฏิเสธเป็นกลางเอาไวา้นี่จะว่ามัชฌิมา มันก็ต้องผ่านสําหรับชีวิตของเราได้ผลเรียนจากบวกจากลบถ้าจะเป็นอารมณ์เนี่ยมีบวกยินดีมีลบกินร้ายพอใจไม่พอใจอารมณ์ของคนเรามีอยู่สองอันยินดียินลายถ้าบวกก็เอามาเอามาพอใจพอใจพอใจถ้าลบ ก, ก็ปฏิเสธ อยู่ในสมมุติปัญญาตไปเสดเอาสมมุติเอาสิ่งที่สิ่งที่สมมติปัญญัตไม่เที่ยงสิ่งที่ลักพอใจกลายเป็นสิ่งที่เกียดติได้สิ่งที่เกียดไม่พอใจกลายเป็นสิ่งที่หลักได้เปลี่ยนแปงได้ถ้าเป็นกลางไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของเส้นของว่าสิ่งที่ทําให้เป็นกลางได้นี่สติสัมปชัญญะไปเกี่ยวข้องมีอยู่ในความเป็นกลางทุกกรณีมีสติรู้สึกระเล็กได้ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดขณะที่ทําขณะที่คิดก่อนที่มันจุก่อนที่บรรทุกมียุ่ยทุกอย่างสติ ถ้าเราผูกขาดให้มีถ้าเราไม่ผูกดก็ไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ใช่มันก็ไม่ไม่งองามไม่ให้โอกาสแต่ไปใช่ไปดื่นเกินไปไปใช้ควาบวกไปใช้ลบเกินไปมันก็จเจริญทางนั้นตาหูจมูกเลี้นงกายใจไปรับใช้ แต่สิ่งที่ผวกที่ลบ <c oughs> ไม่สัมผัสกับความเป็นกลางเลยทำไม่เป็นคมร้อยคมดีผูู้แพรๆแพรไม่มั่นใจชีวิตที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงเชื่อใจไม่ได้อันเลว่าอันตราย เราจึงต้องฝึกจำเป็นมากก็ะจะต้องมีเรื่องนี้เป็นการบ้านตลอดไปหลงก็หลงจนตายทุกข์ก็ทุกข์จนตายโกรธก็โจรจนตายถ้าเราฝึกหัดมันก็หลงไปข้างสุดท้ายทุกข์เป็นข้างสุดท้ายโกรธเป็นข้างสุดท้ายชีวิตเป็นอิสระเป็นชีวิตที่ไม่มีภยัย ถึชีวิตที่ประเสริฐเรียกว่ามนุษย์ชีวิตไม่มีภยัยเรียกว่าอาริยะอริยะบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นโอพราวะเจ้าโยมก็เรียกว่าอาริยะบุคคลถ้าเป็นพระนับบวชเรียกว่าอาริยะเจ้ามีพระนางอิศะขาเป็นผู้หญิง พระพิจ่าว่าพระอริยบุคคลอนาถาอินทิกาเศรษฐีเป็นผู้ชายการเรียกว่าพระพิจ้าเรียกว่าอริยบุคคลในตระกูลที่เป็นเศขะทู่ไม่มีภัยในชีวิตมีแต่ประโยชน์มีแต่คุณอยู่ที่ไหนไม่เบี่ยเบียนอะไรเรียกว่าตระกูลที่เป็นอริยบุคคล วินายห้ามพระสงฆ์ไปขออะไรจากตระกูลนี้ไม่ขอเขาก็ให้อยู่แล้วพระสงฆ์ส่วนมากจะไปขอจีวรขอบิณฑบาตพระพุทธเจ้าเลยห้ามไม่ไปขอในตระกูลที่เป็นเศขะบุคคลเศคารคือไม่ต้องศึกษาเศขาคือเป็นอเศขารุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา ถ้าเป็นเฉกะบุคคลจะต้องศึกษาผู้ที่ไปเศกไถ่ธรรมาอาเศกขาธรรมมาเศกะต้องศึกษาเรื่อยไปถ้ายัางหลงอยู่ก็เป็นีนหลงเป็นลู้เรื่อยไปถ้ายัางทุกข์อยู่เปลนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เรืยไปถ้ามันมีครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องศึกษาอีกเรียว่าอเศกะบุคคลทุกเป็นครั้งสุดท้าย หลงปครั้งสุดท้ายโกรธรังสุดท้ายที่ว่าอเสกะ บ, บุคคลมีอยู่ในชีวิตของทุกคนไม่เอาเพศเอาไว้มาขวางเมืองกัน้นไม่อาลัทิไม่เอานิกายไม่เอาศาสนามาขวางกัน้นเอาชีวิตเนี่ยเป็นหลักไปเลยอันเดียวกันอนุษย์ในโลกนี่อันเดียวกันหมด <c oughs> ไม่ไม่ไม่ต่างกันหลงก็เดียวกันพันเดียวกันโกรธก็พันเดียวกันทุกข์ก็พันเดียวกันไม่เหมือนใค้หวัดสูญเส้ามันเป็นพันใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันอันเดียวโกรธอันเดียวคนที่ว่าคนน่อยู่ที่ไหนถ้าโกรธกันเดียวกัน ถ้าทุกขอนเดียวกันทุกข์ร้องไห้ดีใจก็หัวเราะอันเดียวกันการ ห, หัวออเราะ้องไห้การหัวเราะร้องไ ห, งห้มันเป็นการตรงแตกตันงกันหมดถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตกับเพื่อม อันหนึ่งผูอันหนึ่งแฟบลงเท่าๆกันเราจึงเห็นมันมันหัวล้ออย่าไปแสดงกับมันเห็นอาการที่บรรทุนทำให้หัวล้อมันจะร้องไห้ก็เห็นอาการที่ทําให้ร้องไห้อย่าไปแสดงกับมันทวนกระเส้ อยู่เป็นปกติดูไปมีสติมีชำชัญญาถ้าเราไม่เพิกคัดนันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุดีก็ทำดีเหตุชั่วก็ทำชั่วอ น, นั้นไม่ใช่ไม่ไม่มั่นคงราะแน่นคอเนเพนนั้นเสาหลักปักขี้โคลนไม่เป็นเสาเขื่อนฝั่งทะเล กอนหินก้อนดินก้อนหินที่บนภูเขาไม่หว่นไหวพระเจ้าสอนว่าชีวิตที่ฝึกดีแล้วเป็นชีลาก้อนหินไม่หวนไหวเพราะลมฉันดาบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้วไม่หวนไหวเพราะนินทาสรรเสริญแต่ยังฝึกไม่ดีก็เหมือนเข้ารีกเหมือนนุน่นปลิวไห้ อะไรสมบัตินี้หน่อยก็ปลิวไปแต่ก้อนหินไม่ปลิวสีลาสีลาสีล า, ามคือก้อนหินมาแปลเป็นาษาสาสรกิจหรือว่าศีลมาแปลรปษ า, าไทยหรือว่าปกติปกติปกติเป็นบ้านของกิจ จิตมีบ้านคือปกติแต่จิตไม่มีบ้านไม่มีปกติคอยที่จะพัดไปเรื่อยเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี่ต่จิตที่ฝึกดีเลยียปกติไม่หวั่นไหวเนี่เราต้องปฏิเชิดเรื่องนี้ไปไดาฝึกตนสอนตนฝึกตนสอนตน ให้ชำนิชำนานการชมนิชันานในชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจหรือว่าจะเรียกว่าอัญญาสิรู้แลว้วความไม่เที่ยงรู้แลว้วความเป็นทุกข์รู้แลว้วความไม่ใช่ตัวตนรู้แลว้วรูปรู้แลว้วหนามรู้แลว้วความหลงรู้แลว้วความอโกรธรู้แลว้ว รู้แล้วมันรสชาติเป็นไงกรไม่โกรธมีรสชาติอย่างไง ร, รู้แล้วเวลามันหลงเป็นยังไงเวลาไม่หลงเป็นยังไงอะไรเป็นธรรมรู้แล้วเมื่อคนที่รู้แล้วยอมใช้ปัญญาไม่ไม่ร่วมเรียกว่าปัญญาปัญญา เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีปัญญาเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ปัญญาเปลี่ยนโทษไม่ให้มีโทษนี่ว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารเกิดในความหลงในความรู้นี้เกิดในกายในใจโรนี้รอบรู้ในกองสังขารที่ว่าปัญญาไม่ใช่จบจากาสูตรสําเร็จมันจบจากการบทเรียนบทการสัมผัส แต่ว่าอย่าปักสมผัดเอาสมผัดเอามันปฏิเสธไม่ได้มันมีหลงมันก็มีรู้มันมีทุกข์มันก็มีไม่ทุกข์มันมีแก่มันก็ต้องมีไม่เก่มันมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมันมีตายต้องมีไม่ตายอย่าจนแน่นอนคือเจ็เจ็บตาย แน่นอนที่สุดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะตกอยู่ในความเที่ยงไม่เที่ยงปฏิเสธไปได้ในความไม่เที่ยงในความเที่ยงถ้าจะาวัตถุไม่บ้าอะไรตกอยนสวาพเพียง น, นี้ มันมีแต่ปัญญาที่ไปเห็นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่โยชน์เยี่ยมความเจ่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่เวลามันเจ่ไม่ทุกข์เวลามันเจ็บไม่ทุกข์เวลมเมวามันตายไม่ทุกข์มันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ไดให้มั่นใจอย่างนี้ เพราะมีศาสตราสอนเรื่องนี้นี่ผู้รู้ตามเรื่องนี้มันอยู่ที่คนเราเราอย่าปฏิเสธตัวเอง <c oughs> อย่าปฏิเสธตัวเองถ้าเราปฏิเสธคําสอนต่อเท่าเราก็ไปฏิเสธตัวเองนะมันเพิ่มเป็นบาป บาปมันเกิดจากไม่รับรู้รับขี้อะไรเมื่อมีบาปที่ในชีวิตเราเขาเป็นบาปไปกระทบกระทึปปะทงไปสิ่งอื่นวัตถุอื่นด้วยอยู่กันลําบาก <c oughs> อเราไม่ศึกษาเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสิ่งอื่นวัตถุอื่น เกิดจากชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราสุกหัดดีแล้วใช่เลยแล้วหมดประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อจึงเงินวัตถุอื่นเช่นพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นเพียงปัจเจกบุคคลคนหนึ่งก็มาถึงพวกเรา เรไม่กีบอหม่มเพราะพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสดาเรามีศ า, า, า, า, าลามีที่อยู่อาศัยก็พระพุทธเจ้าพระศาสดาเรามีอาหารการกินก็มีพระพุทธเจ้าพระศาสดามาถึงที่นี่จะน้อยกว่าถึงที่ชูกโตนี่เป็นทุ่ดีก้อนเล็กๆในฝ่าพระบาทของพระ อ, องค์มาอยู่กับหัวใจของวเรา สติที่อยู่กับพุทธเจ้าก็มามีอยู่ที่เราอันเดียวกันเดี๋ยวนี้เป็นสากลเอาทิ่งไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้ตัดไว้ดีแล้วความหลงก็อันเดียวเอาดีว่ามันถูกต้องเหมือนถูกต้องความหลงนี่ดีมันดีมันก็แสดงความไม่ดีให้ยินได้ ตามตามคมหลงเสียผู้เสียคนเป็นทุกข์เป็นโทษเดี๋ยวบังค็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่เปลี่ยนไล่เป็นดีวัฒนันทะทำให้ดีขึ้นวภาวนาทำให้เจริญในความดีมากขึ้นภาวนาขยันรู้มากขึ้น ถ้าไม่ขยันลูกมันจะหลงผมหลงไปเจ้าบ้านเจ้าเรือนคงหลงไปเจ้าของกายเจ้าของจิตใจมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเราควมรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจก็เป็นประโยชน์ตลวงตาได้พูดถึงข้าวพันุข้าวพันุพืชข้าวพันุ์ดีๆข้าวเขากุง ข้าวเหลืองกล้วยข้าวชีตมใหญ่ข้าวอะไรหอมมะลิจุม๋มไนี่มันเป็นพันดีๆแต่มันก็กลายพันธ์ได้เป็นข้าวหมาเมินไปได้รู้จักไหมข้าวหมาเมินรับรองไม่รู้คนสมัยนี้เลือกพันธุ์ข้าวไม่เป็น ลูกจะไดกินเดี๋ยวเขจะเดี๋ยวจะได้กินข้าวหมาเมินนะถ้าไม่รู้จักเลือกอ่ะไอชิตเหล่านี้ไอเมีหมาเมินเ <c> ข <oughs> าจะดา่าเราหมาไม่อยากไอ้หมาไม่อยากเคยได้ยินไหมแม่เพียน เอ้ยสัวหลายาเป็นหมาบ่อยากหมาไม่อยาก อ, อยากฟังนิทานประกอบไหมคนนี่หมาไม่อยากฟังไหมม<า> <laughs> นุษย์หมาไม่อยากคนนี่หมาไม่อยากมันไกลพันก็หมาเมินหมาก็ไม่อยากต้องรู้จักเลือกชีวิตเราเนี่ย ถ้าไม่รู้จักเลือกมันก็กลายพันธุ์ได้คนดีๆกลายเป็นผีไปก็ได้เศรษฐีมั่งมีกลายเป็นใหญ่จกก็ได้มันกลายพันธุ์คนดีกลายเป็นผีเศรษฐีกลายเป็นใหญ่จกมันผิดพลาดได้หมาไม่อยากคืออะไรฟังเหรอฟัง <c oughs> มีนิทานชาดกนิทานล่อคนไอไช่หลวงตาเล่าเองเล่าตามชาดกมีวัดจูแห่งหนึ่งแต่ทางเข้าวัดเป็นป่าชาผีดิบป่าชาผีดิบเนี่ย สมัยก่อนมันมีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ประเทศอินเดียประเทศต่างประเทศเหมือนกับสมัยก่อนบ้านเราสมัยก่อนก่อนโน้นมีป่าชา้าผีดิบทิ้งตัวทิ้งควายทิ้งหมูทิ้ ง, ง, งห ม, งมาโควควยตายเราก็เกณฑ์ชาวบ้านลากไปทิ้งนอกบ้านแหล่งกาเต็มอยู่ เคยเห็นบ่สมัยก่อนอน่นป่าช่าค ว, ยควายวัวตายไม่มีฝังหมูหมาตายไม่มีฝังเอาไปทิ้งนอกบ้านกระดูกขาวเป็นกองเวลาวัวควายตายควควายก็ตายบ่อยสมัยก่อนไม่จเจริญคนหนึ่งกงหวัวมีควายเต็มคอกเขาไม่กินกันมันแย่มันเท่า บางทีก็คคยเท่าติดโทนติดตมเคยไปนอนเฝ้าเอาย่ามไปให้เอาอยาไปให้กินมันแก่วันเท่า ม, มันลุกไม่ขึ้นอาจนมันตายพอมันตายแล้วก็ลากไปบางทีไปกินนกเดียนขอขูให้นักเดือนไปช่วยลากวัวลากควายไปทิ้งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกินไม่แต่หนังกินหมดกระดูกก็กินหมด เดี๋วนี้ไม่มีอะไรเหลือเอนาะป่าช้าผีดิบก็มีสมัยก่อนตอนนี้มีหมาไม่รู้ก่อนคู่หนึงแม่กับลูกชวนกันเดินไปวัดเถอดลูกหลอมาค่อยมีคนเข้าวัดเท่าไหร่เราไปดูเส้หนหอยก่อ <c oughs> นว่ามเขาวัดเขาว่ากันแล้วเข้าหลงหนังหลุละครกันหมดแล้ว หมายแม่ลูกตัวนี้ชวนกันไปจวนกันเดินไปวัดทำไมคนยังไม่เข้าวัดมีแต่พระขี้เล่าขี้ยาหรือไปดูหน่อยก็เลยชวนกันมาชวนกันไปพอเดินผ่านป่าชาติกีเดบก็มี ป่าตรงนั้นมีเอาศพไปทิ้งตรงนั้นโลกหมาก็ชวนได้กินศพก็คิดอยากกินต้องหมาจินของเน่าของเหม็นมันก็พาชวนแม่เดินไปไปดูอะไรนี่แม่จะไม่มีจิ้นหนอมเหลือเกินแม่หมาก็พาลูกไปเห็นเห็นคนตายนอนอยู่คึ้นอืดหมาน้อยก็อยากกินแม่แม่ ไอ้หนูกินคนเชื่อก่อนเถอะจึงค่อยไปวัดแม่หมา ก, ก็ล้องกันว่าลูกจะกินตรงไหนมันล่ะ <c oughs> จะกินตรงไหนของคนกินตามันใช่ไหมโอ้ยตามันหลือมันดีอะไรมันสอสส่มองช่องแต่จิงที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมกินดูหนังดูแล้วนดู อร่อยมันช่องเอาช่องเอากอดไปชินแต่ลูกมันอบไปนะตาของคนเนี่ยนม่ห้ า, มาหมาน้อยมหมาน้อยก็ยังบอกเองยังไงเนี่ย ห, หนูกินหูมันใช่ไหมโอ้ยหูมันก็ดีหลยมันชอบฟังเ ส, สียศพสพอเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงอ ดกเสียงเดาะเสียงนินทาเสียนมันใส่ชิมใส่ใจเอนจะบ่แม่าแม่หมาก็บอกเสียงเทศเสียงทําไม่ค่อยฟังกันแล้วสอนเทศง็เอางอนดูลกก็อนใจสว่างเสียงหูหน่อจะกินแต่ลูกไม่ดีเลยลกหมาก็จังไม่หยุดถ้าง่ายหนูเห็นจมูกมันใช่ไหม จมูกก็ดีหลายลูกช่วยสบกินเหม็นเห ม, ม็นกินเล่ากินบุหรี่สูตรก็ไปอม้มก็ไปเอี <c> ่ <oughs> ถ้าลูกกินเจ้าปีนะตะกูลเราไม่เคยสูบบุหรี่นะกินหูอ๋ออะไรถึงไหนนะอะหูจมูกเนาะกินจมูกมาเหรอไม่ได้เจ้าจะเสียตะกูลล่ะไปกินจมูกของคนเนาะเราไม่เคย กินเราไม่เคยจุบุรีไม่เคยดมกาวกินของคนเอาทุกอย่างนะลูกกาไปเอาเถอะเอาทงหนูกินลิ้นใช่ไหมโอ้ลิ้นมันก็ดีมากด้ลูกมันตะบักสะบกแขงสสคอปูด ป, ดปดพูดเทศซ่อนเล่นมายาสาถไยคนพูดก่อนแต่เล่าจำีีลิ้นมันเป็นการพูดกันให้แต่แก้ สอมีพัญยาทะลี่เหมันพูดดอกก็แตกแก้กันเลยมันไม่ดีลูกเอาไปกินเถอะแต่ทำให้เราเสียศักดิ์ศรีของความเป็นหมานะทำไมให้ลูกกินกายไม่ใช่แม่โอ้ยกายมันก็ดีเมื่อไรมันขาแขนมันอ่ะมันเต้นแร่งเต้นกาไม่รั่วคนหรือลีกไตเต้นไม่ล้ําตลงต้ขึ้นตลอดขึ้นมาอยู่นิ่ง โบาขาพ่อมือมันอ่ะตีตบ ต, ตีพ่ตีแม่ตีข้ากันใจฟันรั้นรันจับตาตาวุธิปาดผ่านกันก็พ่อกายมันอ่ะกี่ปางนะลูกจะกินเถอะแตอนนั้นลูกกินหัวใจมันใช่ไหมโอ้ยนั่นแล้วตัวไหลนะลูกนะหัวใจมันอ่ะมันคิดอะไรผิดผิดไปหมดเลยเห็นผิดเป็นถูกไปเลย ไม่แต่โลภโกดธหลงไม่แจะอิจฉาเบียดเบียนกันแตกเล่าสามชีกันใจมานาจันหนักเป็นเหตุที่สุดอะแล้วลูกกินอย่างนี้ก็ขี้ผายเราไปไปไม่ต้องกินแล้วเขาว่า ด, ดีกว่าเราหมาหน่าก็ยืนดูโลกคนหอกโอ้ยไม่มีอะไรดีหรอกไอชาติคนเลยห <laughs> มาก็ไปอยา่างไอว่าแล้วหมาน่อก็ เยี่ยวาดาคนเอ้ยไอ้ชาติคนเอ้ยไม่มีดีเลยเดินไปนี่อันนี้หมาไม่อยากไม่ใช่พูดเล่นมันมีจ้าดกอจ้าคนรโล่ถ้าชั่วแล้วหมาดีกว่าหมามันชั่วชื่อว่าหมาแล่คุถังได้อันคนถ้าชั่วแล้วไม่มีค่าเลยเลยนี่ มันเป็นข้าวหมาเมือนมันกายพันเกิดมาดีๆพ่อแม่เอาโดดโอดสมจากเนนกลือนในอกโอนกันกองมาบริโจดเลี้ยงจนใหญ่โตม า, พ อ, าพอนข้าวพอนน้ำใจก็เวลาใดที่แม่อุม้มแม่เลยยิ้มได้ให้ลูกกินนมยิ้มเยี่มยมแจ่มใส เวลาพ่อนนมโลกให้อาหารโลกน้ำใจเขาแม่เต็มไปด้วยเมตตากาุณาพ้อข้าวพ้อ น, น้ำกายก็ได้แต่ของบริสุทธิ์ใจก็ได้แต่ขอ ง, ของบอริสุทธิ์รักบริสุทธิ์นี่คือของที่มันดีๆมันจะกลายพันธุ์ จินนมในอกของแม่ต่อมาหมากินแล้วหมายกินของเสบติดจิตใจก็ไปคดิดผิดผิดเพื่อนเพีนไม่มีความรักกันมันมีน้ำใจเลยเหงื่อแห้งนี่ถ้ามันไม่เครียดถ้ามันจะกลายพันุ์ไปดุร้ายบางชนน่ะไม่มั่นใจตัวเองใจตัวเองแท้ๆทำไมไม่มั่นใจ ไ ป, ป่ล่อยทิ้งยังไงปฏิบัติธรรมคือมาดูแลตัวเองให้คุม้มมันก็มีกายมีใจโดมนมานอย่าให้มันผ่านดวงตาภายในคืสติสัมปชัญญะมันชิดก็เห็นมันสุ ก, ก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันหลงก็เห็นมันก็หลงก็สุกทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี้ ให้เห็นให้รู้จึกตัวเนี่ยปฏิบัติธรรมดูแลตัวเราให้มันคุ้มมันผิดตรงไหนมาดูแลตัวเองเนะี่ยถ้าดูแลตัวเองดีมันก็ปลอดภัยมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นต <c oughs> ่าไปใช้ชีวิตก็อยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันก็ดีไม่ทะเลาะว่ากันมีความสุขเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดี เราก็มีความรักกันเป็นผัวเมียกันก็ ร, รักกันเป็นพ่อเป็นแม่ลูกก็ ร, รักกันความรักที่เราจะดีต่อกันคือเราเป็นคนดีเนี่ยให้นับหนึ่งจากเหล่านี้เาไม่มีไม่มีไม่มีวิธีอื่นใดที่จะต้องแก้ปัญหาโลกได้ถ้าเราไม่มาเห็นตัวเองจะมีกฎหมายและธรงมนูน จนแย่งกันล่างกฎหมายจนทะเลาะกันเสื้อแลงเสื้อเหลืองเสื้อแดงเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเอาบ้างกฎหมายกันไม่อ้างที่ใจเรานะอะไรมันผิดอะไรมันถูกความร้ายเป็นความดีรู้จักให้อภัยการสมานสามัคคีกันมันทําไมไม่เอาพี่กันแล้วดีกันได้เห็นผิดไม่เป็นลาย ก็ไม่เป็นไรเห็นแล้วก็อยู่กันได้อยู่ทะเลาะกันค่อยเป็นค่อยไปรักกันไว้ก่อนรักกันไว้ก่อนอย่าเอาความผิดเป็นขวางเอาทำให้ขี้ขาดมันก็ผิดภาคมันจะเหนือผิดเหนือถูกอยู่อย่าไปดว่วลลบอย้อนไปเสดเราหาดไปอย่างนี้ เราก็ต้องไปทำหน้าที่ของเราอยู่ดีๆเป็นสัตว์สังคมมีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีพี่เปน้องมีเพื่อนบ้านมีมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเกิดเจเจ็ตายด้วยกันแต่ที่จะสงสารกันช่วยเหลือกันยืดเราก็ไม่จริงอะไรเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปมีแล้วไไหายไปยืดไม่เที่ยงความตายเที่ยง ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอย่าหลงไปตามอารมณ์เดี๋ยวหมาจะด่าว่าโอ้ยไอชาติคนเอ้ยไม่มีอะไรดีเลยนะน่นนอนะอ่ะเอาสมควรเจเวลากลาวว่าความกรรม